ตั้งใจภาวนาออกไปเอาวันนี้ถตามมันมีโอกาสมีโอกาสมีจังหวะที่จะภาวนากัย้อนยอม่มโบมี่ไพนี่แหละเบียด ก, กับโบมี่เป็นข้นบมีหลายเหมือนเบียดมันว่าลายดอกขนมูหลายคนหลายเหมือนเบียดมันก็นลายนั่นขึ้นมาอีกอันนั่งกูมักสงบนีหก็เลยว่ได้สงบล่ว ทันปัญญามันพอตีได้สงบมูอปรอยูรเบียบเบอหลายอากาศก็ดีดีมห่อนมห่นทันอากาศมันนอนพอนไปนั่งภาวนาบอกไปยานส่วนผมเพื่อมันออกได้มันเมือ่อเหนียวคนหวยคันไข่เด็ดทันอากาศเย็นเย็นยั ง, ยงสีสบายยังสีงโอ้ย่างถุงผมก็ได้มดมือเมือม่อขึอ้นอยู่นี้นั่งภาวนาก็สทับใจสว่าง ก็เนี่ยนีเลือกเอาเวลาเังที่แหละมันดีดีมูมูกับแท่งหน่อยแก่เสียดีหลายยิยดรวยโอกาสเอ า, เอาโอกาสนี่เวลาของเขา้ามันมันบอเหลือหลายเนี่อายุองเข้าเมาป่านนี้เนี่ยมันทิ้งเหลืออีกก็บบนบดอนในอันบดอนอยู่กับแผงสินี่คุณอันคุนีคุณอันมาคุนีนนมา เบียดกับาล่คืนนี่สิมันนี่อยู่โอกาสมันคนี่ยงเขาอายุไล่คืนไล่คืนแทงสูกจับคูจับค้นไลขึ้นแน่จิตต้องไปรวมสมาคมชังพ้มับถูก็ค้นก็ไล่คืนคนเกิดม่ไงรุ่นตัง้งแต่บรรังเพิงหวังเพิงกูง เ, งงเกิดก้อนอย่ละก็เป็นเล่เป็นเบียดนั่นเ ภาวนาด้วยการภาวนาไม่ยากดอกมันเท่าเข่าใจเรื่องภาวนาอะไรหรอเป็นสุญญ์ภาวนาหักต้อมใจต้อมใจไหวยืนอยู่กับต้อมในดอกใจเนี่ย ย, ย, ย, ยืนอยู่กับต้อมได้นั่งอยู่กับต้อมเบิ้งอยู่นี่แหะยืนเดินนั่งนอนซ้อมกันแกนทเท่าที่เอาไปว่องไปพูดไปคุย เอาคิดเอาใจไปคุดหาแนวสีบอกดูการสร่างแนวสีบอกก็คุณหนึง่งคีณ น, นึ่งเอามาคุดซนะคุดให้ใจเจ้าของเนี่ยเมื่อแต่จ้าสี่ไดเนี่ยอันตรธานเฮาเสียเวลาเสียจังหวะโอกาสย่ามจีไปคุดใส่เ จ, จ้าของคึดใจคุดพุ ด, ดโทษก็เอาไปโซ่เจริญรื่นนี่จะไปเทศเรื่องอื่นไปสิทมันเสมออยู่แล้วเวลามันเฮงหน่อยยุ่นเนี่ย ไปซ่อมซ่อมจะของเนี่นี่แหละซ่อมมาไหนล่ะซ่อมมาจะของนี่แหละซ่อมมาเข้านั่งอยู่บ่อนี่เดี๋ยวเอ้อจังเหี่ยนนี่เข้าไปนั่งยืมแล้วเนี่ยจะซ่อมมาฟับโอ้นั่งอยู่ตัวนี้ก็จะนี่แหละไอหูเมือจังสี่แหละหูมือไปจะของนั่งยืมจังสี่แหละอันนี้เอิ่นเป็นภาวนาเละอันเท็จย้มได้เป็นแย้มน่นเท็ดยาวก็ได้หลาย เฮ็ดสันก็นได้น้อยบ่มันเฮ็ดเลยกับโบได้จีสั่งไหมขันเ้าคืดได้เป็นสนะี่เลยโอ้อันนี้ก็เป็นภาวนาทีวย่างไปก็เป็นภาวนายืนยื้กับเป็นภาวนานั่งอยู่กับเป็นภาวนาฮะเนี่ยนอ่งยู้กับเป็นภาวนาอีกเนี่ยไม่กัเป็นไปยังไงอะขันพุชิได้ว่าันพุชิโบโบได้เนี่ยโบฮุจักเอาแล้วมานั่งอยื้อหาเป็นเรื่อง มาบอกมาคิดมาขุดมาคุยกันไปเรื่อะ่ะพอให้ทนเวลาไปคือ ก, กันพอให้คนมือคนเว้นไปคือ ก, กันจะได้บ่ได้อย่างนี้จะูจะงที่เบหนึ่งมันเลือดตนศาสต ร, ร์สันดอกว้าแต่จางขูดจางพ่นไปจากมาภาวน า, าภาว น, า, า, วนาเป็นกันมาแล้วขันยูไพยูมัน่นมุ่นตามเบิ้งกันมงมอยื้อซือบัปากเบาเบากปแต่ฟูจโคตร เป็นเ้าจนสี่แล้วหู้้จักเลเอาไเอามันลล่นได้แหละยังเสียได้ยังนายว่าคูบาอาจารย์โบเมตตาบบปากน้ำเบาาน้ำเลบปากเบาน้ำเนี่ยหาเรื่องเสื้อเข้าไโอกาสเดี่ยวมาหาเวียดมาการฮ้างานบนไปเบาไปโซยังนำ้ำเลยเบาๆเรียนเบาวน้ำเขาไห่โอกาสให่เ้าเป็นงบ ผู้ใดบอกบ่าวผู้ใดบอกมมมเบานั่นขดหน่อยอกหน่อยใจอีกกะมี่เลยงานแล้วเขาบอมบ่านั่นใครบอกมอู้ซ่านี่มันได้โอกาสดีจังหวะดีเนั้นิดกำหนดใจไว้นั่นจะค้องมีหนึ่นกำหนดใจไว้ซ่อมจะค้องผู้ซ่าจะคล้องผู้เมื่อจะคล้องย่นโูมันได้หลายสื่อหน่งเด้ จะเจ้าหกจุดฟังพาวนาตรงนั้นมานั่งดีๆเนี่ยมือแร่งวายพระพระพนแล้วนั่งพาวนาได้อีกสอโมงหนึ่งสองโมงทัานสั่นจะเป็นภาวนาอันนั้นคือแต่ไม่เลยบัดนี้เขาจักโสคนนี้เป็นพาวนายางใส่ยางมากครับเป็นพาวนานั่งอยู่ก็เป็นภาวนากินข่าวอยู่ก็เป็นภาวนาแามไข่แามป่วยนอนอยู่ ให้มอหัวมอรักษามมอสียาอยู่กับกำหนดใจเลยอยู่มันกบเป็นภาวนาอยู่ตลอลดรถบ่มีวังไรติดถิ่นเนี่ยบาตเนี่ยต้องหูจัดโตนงแล้วนี่บ่มีวังไรสิดถิ่นเนี่นั่นมือเต่าเนียมืเว้นเนี่ยมือขึ้นย่มงไรมีเวลาถึเขาไปอาบน้ำอาบ้าเขาสวมเขายันกับยันได้อยู่ภาวนามันหลายอยู่อันทุกเจ็บเป็นเอาเปนอยูนอ่นะ มันจะได้ถ้มันบอฮัดเก็บฮัดเอาเลยกดบ่ได้อีกได้หละน่หลายคนได้ก็บ่ได้เข้าึืนสวายอยากดีอยากดีคือจังหลวงปูไวาจางเสร็ไปซ้อมเอาไปสังเกตไปสิเอาใช้ชื่อจังหลวงปูนะฮะโอ้ว่าของแจ็บอว่าคนเพ็มาดนปนไอคอนดีได้ปั่นนั่นเข้าคนติดๆเอาเป็ น, น, ป น, น, น, ปนปปก่อนโคโลบานนันโลดวันนี้่งจะไปเอาก่อนไงโลด เินเฮ็ดเพิ่นจะเอาเรื่องสี่แล้วซ้อนหน่อยๆเงี้สี่เอขาคำบ่เอาลยนี่มากมันคือไปเอาอันคุณลดมันเอาพอได้แต่เลยบ่งจักเลยวนบนเบี้ยนๆช่ไหมเนี่ยนี่จะว่าหวังสึวาวาง่งใบบุญหลวงปู่คุงใบบุญหลวงปู่เนี่ยเลยได้เท่า น, นั้นแหะบอกเขาท่าแล้วเนี่ยนะเฮ็ด เ, เอาไหมเนเหมือนภาวนาได้สุยามกับกำหนดของ า, า, ญญาอกกองหาเจ้าของของเมื่อเจ้าของเนี่ย หมเมือนังยืนเดินนอนแนมะ่หูเมือหันใจอยู่นั่นนะ่ะเป็นรดดอกภาวนาเนี่ยันย่างกินเขาไปยำเขาแกะแๆๆแไปกับหมเมือจะค้องไปนั่ม น, นี่แค้เป็นภาวนาเด้อ